ตั้งอยู่กับกายใจการไปบินธบาตไปบ้านแก่งไกลร้อยเส้นญาติโยมเขาเห็นว่าไกลเกินไปเขาจึงจัด ก, กันมาแบ่งวาระกันเป็นพวกมาลัดหนทางใส่บาต ท, ที่ถ้ำใสและมีน้ำสะอาดอยู่นั่นด้วยจากบ้านเขามาหกสิบเส้นพระไปจากถ้ำสี่สิบเส้นและเขามาใส่บาตแต่ละวันก็มีผู้ชายตามมาด้วยพร้อมทั้งลูเดียงสาไม่ใจผู้ชายใบ้บอดหนวกฟงังคุ้มอาบัตพระได้ในยามปารบธรรมะบ้าง ฉันเสร็จในที่นั้นก็ไม่มีเวลาสนทนาธรรมนานเพราะประหยัดเวลาแต่ละวันกลับถึงถ้ำที่พักก็เกือบเก้านาฬิกาการปฏิบัติภาวนาก็เป็นไปสม่ำเสมอสติดต่อโดยไม่ได้บังคับมันเป็นเองมันดูดดื่มเองสติไม่ได้เลือนลางตั้งอยู่กับกายใจเป็นหลักเหยียดแขนคู่แขนขาเลือบซ้ายแลขวาอยู่กับตัวอยู่กับใจในปัจจุบันทันการเบากายเบาใจวิเวกมาก รสชาติของใจของธรรมชนิดนี้จะพูดก็ไม่ออกจะบอกก็ไม่ถูกเพราะของไขของมันในรสปรมั์รสวิเวสรสชาติวิเวสามกายวิเวสสังัดกายจิ ต, ตวิเวสสังัดจิตอุปปิวิเวสสังกัดกิเลส<ม>เมื่อสมดุลกันในปัจจุบันขณะเดียวติดต่ออยู่แล้วจึงเป็นรสชาติของวิเวสที่ไม่สงสัยบัญญัติและเลียงแบบคมคืนกันอยู่ในปัจจุบันทันกัน ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาแท้จะแอ บ, บเอาจากความจำได้หมายรูที่ได้เคยท่องบ่นจำมาเป็นเครื่องบริสุทธิ์ของตนโดยฝ่ายเดียวแล้วเที่ยวกว่าต้อนให้คนเลื่อมใสเป็นนายกโฆศกเพื่อลาบและอามิตเป็นเจ้าหัวใจแล้วก็ใบล้านเปล่าอยู่ดีนั่นเองแต่ก็ยังดีเพราะดีกว่าจำไม่ได้ผู้เขียนน้อมมาเตือนตนเพราะตนยังไม่ดีพอเพราะการอยากได้ยังมีอยู่เพราะยังไม่อิ่มมีความอยากดีออกหน้าอยู่ เพราะยังต้องการเดินทางไปหาเมืองอยู่คือเมืองพอถ้าจะเดินทางไปหาเมืองพอภายนอกด้วยสีเท้าหรือรถยนต์ยานพาหนะแล้วกี่กับกี่กันล้านล้านกดกดก็ไม่มีวันเดือนปีหรือขณะจะถึงได้เพราะเมืองพอหรือเมืองไม่พอมันตั้งอยู่ที่เมืองใจแห่งเดียวเมืองนอกคือเมืองกิเลสเมืองในคือเมืองใจแต่เมืองนอกคือเมืองกิเลสชอบไปเกยไปพลาดไปตั้งเมืองอยู่รอบๆเมืองใจ เมืองสนิมหรือไม่สนิมก็ตั้งอยู่ที่เมืองเหล็กถ้ามีเหล็กก็ต้องมีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กแต่เหล็กดีไม่ค่อยมีสนิมแต่เหล็กดีแท้ไม่มีสนิมเลยใจก็โดยในเดียวกันนั่นแหละนาะแต่ใจที่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของห่วงแหนอยู่จะเป็นของไม่มีโทษย่อมไม่มีในโลกอดีตโลกอนาคตและโลกปัจจุบันเมื่อใจไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว ใจก็ย่อมเป็นโสดโดดเดี่ยวย่อมไม่มีโทษใดๆและจะบัญญัติอดีตอนาคตปัจจุบันใดๆก็ไม่มีโทษไม่มีพิษอันใดและนิจอยงยั่งยืนอาไล่ถ้ำพระเวทครันพักอยู่ถ้ำพระเวทคนเดียวเปลี่ยวกายาเป็นเวลาล่วงมา22วันแล้วก็หวนละลึกด้วยธรรมสังเวชว่าเอ๊ะเหล่านี้จวนแจเวลาแล้วเราตั้งใจจะไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อมอบกายถวายชีวิตผูกขาด เราคานที่นั่นที่นี้มาเป็นเวลานานชีวิตสังขารเป็นของไม่เที่ยงบางทีเราสิ้นลมปรานก่อนท่านบางทีองค์ท่านสิ้นลมปรานก่อนเราเมื่อคิดดังนี้แล้วมองดูถ้าและบริเวณที่พักชำระลึงไปมาน้ําตาไหลนองลงมาอาบแก้มคว้าเอาผ้าอาบน้ํามาเช็ดเพราะยังอาลัยในถ้ำอยู่แล้วก็บันเทาได้ด้วยพลิกใจถึงนานาภาโววินาภาโวจะได้พัดพลาดจากไปตามธรรมชาติแห่งสังขาร และนึกในใจต่อไปว่าเทวดาเท่าภูผาลุคมาจะได้ยาตราลาจากพวกเจ้าไปหน้าด่วนหายจะไปหาพระอาจารย์มั่นขันอาสาขออยู่เพื่อจะได้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติเข้าสู่นิพพานขอให้พากันอยู่สวัสดีพร้อมในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อใครไปถึงเร็วหรือชา้าก็มุ่งหน้าต่อนิพพานนั่นแหละแล้วก็ไปบินถบาทฉันเสร็จบอกญาติโยมว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคใด อาตมาจะได้ลงไปบินทบาทให้ถึงบ้านไม่ต้องมารอที่ถ้ำไสดอกเพราะจะได้ลาล่องชายเขาปูผานไปหาพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันนาจังหวัดสกล น, นครเพราะเวลาจวนแจมากแล้วโยมเอ๋ยครั้นตื่นเช้าวันใหม่ก็ลงไปถึงบ้านแกงเขามารวมใส่บาทในวัดป่าบ้านแกงเป็นวัดรางไม่มีพระฉันเสร็จก็ลาเดินทางเขาไปส่งพอจะไม่หลงทางแล้วก็ให้เขากลับ เดินคนเดียวไม่เกี่ยวกับเพื่อนล่องชายเขาตามทิศตะวันตกค้าบ้านคอพอดีตือนเช้าบินสบาทฉันเสร็จเดินทางต่อค้าวัดป่าสุทาวาสพอดีพักอยู่ที่นั่นสามคืนสมัยนั้นพระอาจารย์กู่อยู่ที่นั้นไปกราบองค์ท่านองค์ท่านถามข่าวเคขารู้จักความหมายทุกประการแล้วองค์ท่านได้ให้อุบายว่าใครจะไปหาองค์ท่านพระอาจารย์มั่นต้องยอมตัวเป็นคนโง่ให้องค์ท่านเขีมจึงจะได้อยู่ได้ แม่ผมปรังคังองค์ท่านดูดาเหมือนเหนียนน้อยแล้วองค์ท่านย้อนถามคืนมาว่าคุณมาพักขณะ น, นี้ได้อุบายอะไรอย่างไรบ้างกราบเรียนว่าได้คือการไปมอบกายถวายตัวเพื่ออยู่กับพระอาจารย์มั่นนำอย่าสำคัญตัวว่าฉลาดไม่เหมาะสมส่วนใดยอมให้องค์ท่านว่ากล่าวได้ทุกเมืองเออดีละ่ะฟังเทศออกนะผมขออนุโมทนาด้วยจงไปโดยเป็นสุขเถิด แต่ขอให้พักถ้าผาแดนก่อนสักคืนสองคืนเพราะได้มาใกล้แล้วจะเสียเที่ยวจากนี้ไปถึงถ้ำผาแดนประมาณสิบสี่กิโลเมตรกว่าๆได้เวลาสามคืนแล้วฉันเสร็จก็ราบลาองค์ท่านไปผ่านบ้านดงมาไฟถึงบ้านนากับแก่แล้วขึ้นภูถึงถ้าผาแดนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแต่มีหลวงพ่อสีกับเมรุองค์หนึ่งประจำอยู่นั้นและที่พักถ้านั้นก็พอดีสองอ ง, องเท่านั้น แต่ก็ไม่ไปเบียดเสียดท่านไปหาที่พักเองไกลท่านต่างหากคือลุกขมูลอยู่ล่มไม้จิตใจก็สงบเยือกเย็นไม่ได้ล่องเรียกหาความกลัวมาเป็นเจ้าหัวใจพอที่จะเป็นอุปสรรคของการภาวนานึกในใจว่าถ้าเรามีโอกาสมาพักข้างหน้าเราจะมาพักองเดียวเพราะจิตใจเราดูดดื่มสถานที่เพราะเป็นต้นไม้สูงล่มลื่นอากาศเยือกเย็นดีหลังพลานหินที่ออกมารับอากาศเป็นบางครั้ง ก็โปรงดีเป็นเนื้อที่รากเรียกบางถ้ำคำบงเป็นถ้ำมืดแต่มีน้ำไหลลินอยู่จากหินแต่สูงประมาณสองเมตรเป็นห้องหินสงน้ำในตัวและก็ไม่ไกลจากที่พักประมาณสามเส้นและก็รู้ได้ชัดว่าสถานที่นี้ต้องเป็นสถานที่พักวิเวกเพียงธรรมของผู้หวังพ้นทุกในสงสารโดยแฉพไม่เป็นสถานที่ของผู้มุ่งหวังปัจจศีลอามิรวัตถุนิยมใดๆทั้งสิน้น แต่สถานที่ภายในคือสถานที่จิตใจอันเป็นมรดกดั่งเดิมนั้นรู้ดีอยู่ขาดตัวแล้วจะไปไหนมาไหนก็ยกไปได้เพราะเป็นมรดกเบาไม่ได้หาบไม่ได้หิวไม่ได้กลัวว่าจนจะพ้นเอารักเอาไม่กลัวพวกจะกัดไปจะไม่แต่แต่ตรงกันข้ามถ้าทำให้หนักก็หนักได้หนักจนข้ากายแตกคือผูกคอตนตายก็มีเพราะตนเป็นฝ่ายสัตว์จากจริงตามสมมติจักคัดคาน เป็นมาพล <gibt> าตาเดียวเป็นสตายืนขาเดียวก็ไม่ได้เพราะจะเป็นผู้ไม่รู้จักสมมติไปเมื่อไม่รู้จักสมมติจะรู้จักมิมติอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักร้อนจะรู้จักเย็นได้อย่างไรเมื่อไม่รู้จักได้จะรู้จักเสียอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักถูกจะรู้จักผิดได้อย่างไรเมื่อไม่รู้จักบาปจะรู้จักบุญอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักข้อปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรได้ เมื่อไม่รู้จักข้อเว้นจะเว้นอย่างไรได้จะพรณนาข้อนี้ไปมากมายก็มีความหมายอันเดียวกันความเห็นเป็นยาเสพติดธรรมดาปุตุชนคนหนาย่อมเห็นติดเป็นชอบเป็นนายหน้าของเจตนาขันท้าสันดานเป็นยาเสพติดปราบใดเห็นโทษด้วยตนเองเป็นตอนตอนไปจึงจะกลับได้ปราบนั้นตรงกันข้ามธรรมดานักปราย่อมเห็นชอบเป็นชอบไปเป็นตอนตอนคูณทวีเพราะความเห็นชอบ เป็นนายหน้าของเจตนาเป็นยาเสพติดไปในทางชอบไม่ลำบากแต่ขอยกเว้นพระอรหันต์ไม่ควรเอาองค์ท่านมาผลเปกับยาเสพติตดใดๆเลยจะ ก, กลายเป็นการกล่าวตู่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็จะถูกกล่าวตู่ว่าเป็นยาเสพติดบินทบาดฉันดื่มพูดคิดเทศนั่ง น, นอนยืนเดินส ง, งบรูโต้ตอบอ้เบกขาสารพัดธรรมดาปุตุชนคนหนา เว้นพระโสดาบันเสียเป็นต้นขึ้นไปย่อมกล่าวตูพุทธธรรมสง์อยู่ในทางตรงๆและทางห้อมติดขันท่สัมดาลอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนแบบรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่ผิดเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาตอบพระพุทธศาสนาว่าฆ่าตัวเล็กๆ็กมันบาปเพราะกินไม่อิ่มฆ่าตัวโตโตมันจึงเป็นบุญเพราะบุญทองสุลาเมีระยะระยะนี้กินเป็นระยะระยะมันไม่บาปหรอก อบายามุกทุกประเภทมันเป็นเหตุไม่ให้ชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งตาดอกมันพอได้แก้แค้นอยู่นะมึงว่ายังไงกูก็ว่าอย่างนั่นแหละแล้วก็เจียวเกรยไปยุ่งเหยิงกับพระพระบางกลุ่มบางบุคคลบวชพลขลาวาแล้วเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารคำสั่งและคำสอนของท่านหนักไปในศีลรำแทะเมื่อท่านเทศคำใดวักใดตอนใดก็ไปผูกเอาเลขเลขผาผาเสียเวลาทั้งท่านและผู้เข้าไปหาท่านสองฝ่ายไรประโยชน์ กับท่านไม่มีสง่าราศีแก่ท่านและสำนักของท่านและผู้ไปหาด้วยเหล่านี้แหละเรียกว่ากล่าวตู่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเหยียบย่ำทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวและถือเป็นของสนุกอีกมันเป็นปฏิปทาทุกล้วนๆและไม่มีสุขมาเจียผลพอที่จะหลงเลยแต่พระบางกลุ่มบางจำพวกที่บวชเพื่อปัดใจสี่วัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจก็พลอยไปเป็นพักพวกด้วยพูดน้อยไม่พอใ พูดหลายตายหงว์แผ่นดินทุกหย่อมย่าแทนที่จะเป็นสถานที่พักภายนอกเพื่อบาเพ็ญพัฒนาสร้างคุณงามความดีเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ด้านจิตใจให้สูงส่งจากระดับที่ลุ่มหลงอยู่มาเป็นเวลาชานานกลายเป็นหลุมฐานเพลิงพร้อมทั้งทิ้งฟืนใส่ไม่หยุดยังได้ฟืนก็เป็นฟืนทิพจิตใจที่เหวินห่างออกจากศีลและธรรมเรียกว่าพัฒนาฟืนทิเพเผาโลกโดยไม่รู้ตัวแต่ละลายแล้วตรายสิกขา ไฟฟืนที่เผากิเลนนั้นจะเอามาจากไหนเล่าพระบรมมาสดาและพระอริยะสาวกพระอริยะสาวิกาของพระองค์ทรงหาไว้แล้วจะเผาจะสุมอยู่ทั้งหมดทั่วทั้งไกลโลกาก็ไม่หมดฟืนเป็นไฟก็จะเผาโดยในเดียวกันคือศีลสมาธิปัญญาที่ชี้ลงสู่หัวใจทุกๆลูกทุกๆนามอริยะธรรมเนธิโตนะโลอริยะธรรมตั้งอยู่ที่นรชนศีล ส, สมาธิปัญญา ทางพระพุทธศาสนานี้เองจะว่าเป็นของดับเพลิงโลกก็ถูกจะว่าเป็นยาโอสดก็ใช่จะว่าเป็นไฟเป็นฟืนเผากิเลสก็ถูกจะว่าเป็นแว่นส่องตาส่องใจไปสู่ทางล่มเย็นก็ได้ไม่ผิดจะว่าศีลมักสมาธิมักปัญญามักศีลผลสมาธิผลปัญญาผลก็ได้ทั้งนั้นจะว่าจิตมักจิตผลก็ได้ทั้งนั้นใช้สํานวนโวหารหลายอันแต่มีความหมายเดียวกันเหมือนแกงหม้อใหญ่ แต่เมื่อลงมือฉันแล้วก็มีความหมายว่ายิมอยู่ที่ท้องขณะเมื่อฉันพอขึ้นอยู่กับภาพพจนของจิตที่มีสติปัญญาจะลูเท่าทันเทียมถึงศีล ส, สมาธิปัญญานี้ปารบเป็นติกะหมวดสามถ้าจะขยายเป็นมูลกระจายออกไปก็ครบ8ปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าจะย่นลงสั้นก็เอกะจิตเอกะธรรมในปัจจุบันถ้าจะย่นลงสองก็กายกับใจก็ว่าทำกับวิไยก็ว่ารูปประขันนามมาขันก็ว่า จะว่าไปน้อยไปมากก็ออกจากคู่ปัจจุบันนี้จะนับไปกี่โกดกี่ล้านอสงไัยก็ออกไปจากหนึ่งในปัจจุบันจะตามอดีตก็พุ่งออกไปจากปัจจุบันจะคาดหมายหรือทํานายทายทักในอนาคตก็พุ่งออกไปจากปัจจุบันจะจริงเพียงไหนหรือไม่จริงเพียงไหนขึ้นอยู่กับปัจจุบันจะรอบครอไม่เป็นหน้าที่จะไปจับผิดจับถูกกับอนาคตอดีตในทางทำฝ่ายปรมัดอันลึกซึ้ง ผู้ไม่รู้จักรสชาติของปัจจุบันจิตปัจจุบั น, นธรรมแล้วย่อมหนักใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาและก็ไม่รู้จักการขยายออกและก็ไม่รู้จักย่นเขา้าผิดหลักของสังขา้าโหคือย่อนเข้ามาผิดหลักของอาสังขโหรที่ไม่สงเครย์ย่นหรือขยายออกเมื่อรู้จักแล้วจะขยายหรือไม่ขยายก็ไม่สงสัยในโวหารน้อยแลมากย้อนคืนมากล่าวเรื่องลาออกจากภูผาเดน่น เดินทางต่อไปพักอยู่หนึ่งคืนแล้วบินถบายฉันเสร็จแล้วเวลาประมาณบ่ายสองก็ลาเดินทางลัดไปขําบ้านานานกเขาพอดีวันนี้ได้พักนอนกลางทุ่งทางทิศตะวันออกบ้านเขาแต่อ า, ากาศก็มีหนาวซ้ํา้ายฤดูอยู่บ้างปูผ้านอนลงบนแผ่นดินต้องๆไม่มีใบไม้หลองกองฟางก็ห่างลักหลันพราะโคกระบือกัดกินหมดมุงก็ไม่ได้กลางกลางแต่กดแล้วก็วางกดตะแคงลงให้เป็นเงื่อนแล้วผินหัวใส ส่วนกลางตัวและขาก็ไม่หุม่มนอนกำหนดลมหายใจออกเขา้าจิตใจและสติอยู่กับลมอันมาถูกต้องแบบเบาๆไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นเลยตาใสแจ๋วไม่ง่วงไม่เหงาคล้ายกับว่าไม่หลับเพราะไม่ปรากฏว่าฝันอะไรกายใจเบามากแต่ผ้าจีวรที่ห่มเฉวียงบ่านั้นด้านกลางตัวลงไปถึงแข่งเปียด้วยหมอกหมดส่วนฝ่าเท้าไม่ได้เอาผ้าคุมเพราะเกงจะสกระปรกเพราะเท้าไม่ได้ล้าง ตื่นชาได้เวลาเข้าไปบินธบาติบ้านนานกเขาออกมานอกริมบ้านเขาแล้วก็ฉันเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วลาเขาเดินทางตามชายเขาตรงไปทิศตะวันตกข้าหมหนทางรถยนต์เส้นจังหวัดสกล น, นครผ่านไปกาลสิน์สมัยนั้นรถยนต์ยังไม่ได้แล่นไปกาลสินเพราะทางยังไม่เสร็จแล้วผ่านบ้านโพนงามถึงบ้านพระคาภูข้ามเมืดอพอดีแล้วพักวัดลางเช้าบินธบาติฉันเสร็จเดินทางต่อผ่านบ้านบูนรง ถึงวัดป่าบ้านหนองถือประมาณเที่ยงวันจิตใจก็เบาขึ้นมากนักมอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์มัน่นขณะนั้นองค์ท่านกับคณะสงฆ์กําลังทาผ้ารองก้นบาดองค์ท่านพระอาจารย์ก็รีบผมผ้าเฉวียงบ่านั่งเรียบอยู่วางบริขารไว้ที่ควรแล้วก็กราบองค์ท่านองค์ท่านการุณาถามว่ามาจากที่ไหนกราบเรียนท่านว่ามาจากถ้ำพระเวทท่านถามว่าภาวนาเป็นอย่างไรกราบเรียนท่านว่า ยังไม่เป็นอะไรครับคงเป็นเพียงว่าศรัทธาเท่านั้นแท้จริงแล้วอยากจะกราบเรียนเรื่องเสียงตูมลงจนปูเขาทั้งลูกกระเด็นนั้นอยู่แต่ไปใหม่ๆก็เก็บไว้เสียก่อนเพราะมีพระจ้องคอยฟังคําเรียนถวายอยู่มากเพราะยังไม่คุณไม่เชื่งกับท่านองค์ใดคล้ายกับว่าอวดดีเกินไปพิกจิตตั้งใจดีๆแล้วก็มอบลงจะรวดพื้นกระดานศาลาไม่เงยหน้าขึ้นกล่าวว่า ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์ผูกขาดทุกลมปรางตลอดทั้งคณะสงฆ์ในที่นี้ทุกๆองค์ด้วยข้าน้อยว่าจะมาแต่ปีไกยนี้แต่ท่านเจ้าคุณเทพกวีบอกว่าให้ไปหัดภาวนากับหลวงพ่อบุญมีวัดป่าหนอ ง, น, องน้ำเค็มเสียก่อนในปีนี้องค์ท่านได้ฟังแล้วก็บอกพระเนียนเอาบริขารไปที่กุฏิที่ว่างกราบแล้วก็ตามบริขารไปที่พักขณะนั้นเป็นเดือนเมษายนข้างขึ้น แต่ลืมวันที่เพราะไม่ได้ดูปฏิทินแต่เป็นพศสองสี่แปดเ้าขณะนั้นอาจารย์มหาบัวก็อยู่นั่นก่อนข้าพระเจ้าแล้วพระอาจารย์วันก็ไปก่อนเดือนแต่เป็นพสเดียวกันอาจารย์ทองคำก็ไปอยู่ก่อนพระอาจารย์วันแต่เป็นพสเดียวกันอีกเมื่อคิดคืนหลังแล้วเป็นธรรมสังเวชถึงใจไม่จืดจางเลยเมื่อล่วงถึงห้าวันแล้วก็เข้าไปกราบเท้าขอนิสัยองค์ท่านก็ได้กรุณาลำ พระอาจารย์มหาบัวได้โอกาสรับหลังหลวงปู่มั่นแล้วก็กรลุณาเตือนว่าเอาให้ดีนะเมื่อคุณได้มอบกายถวายตัวกับองค์ท่านแบบแจบจมอย่างนี้แล้วต้องเข็นหนักนะเพราะองค์ท่านมีความหมายว่าจะจริงเหมือนที่มอบกายถวายตัวหรือไม่หรือเป็นเพียงมายาว่าเปล่าๆแล้วจะแสดงการสู้ข้อต่อครเหล่านี้เป็นต้นเพราะธรรมดาเหล็กเมื่อเอามาให้ช่างตีช่างก็ต้องตี พอจะเป็นมีดเป็นปลาก็ต้องให้รู้จักถ้าเป็นเหล็กต้นเตา่าก็ใช้ไม่ได้ต้องคืนให้เจ้าของเดิมแต่ถ้าเป็นเหล็กแข็งเผาไฟแ ด, แดงๆแล้วก็ตีลงไปอย่างหนักนะท่านแต่การตีค่อยตีแรงไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปผูกขาดตั้งกดไว้ผูกมัดช่างผู้จะตีนะท่านสิ่งเหล่านี้ท่านต้องรู้ล่วงหน้าไว้นะผมนึกสงสารท่านเพราะเป็นคนชาวอุดรด้วยกันแม่ตัวของผมท่านก็เียนมามากแล้ว ด้วยอุบายต่างๆธรรมดาพ่อแม่ถึงจะเข็นลูกๆเต็มภูมิสับเพียงไหลด้วยอุบายต่างๆนาน า, น า, นาก็ดีแต่ยังมีเมตตาอยู่เต็มภูมิและถือว่าเป็นลูกๆอยู่เต็มภูมินั่นเองในขณะที่พระอาจารย์มหาเทศให้อุบายอยู่นั้นข้าพระเจ้ายกมือปนมฟังนั่งนิ่งพิจารณาตามกระแสที่เทศพอเทศเสร็จองท่านก็กลับที่พักของท่านเมื่อพิจารณาแล้ว องค์ท่านบอกขุมทรัพย์เอาเพชรเอาพลอยไว้ให้เราเป็นทุนองค์ท่านสมภูมิเป็นมือขวาของหลวงผู่มั่นในยุคบ้านหนองถือแท้แฉครูบาอาจารย์ชุดใหญ่องค์อื่นๆมิได้เป็นมือขวาดอกหรือเป็นอยู่เต็มภูมิเหมือนกันแต่ว่าองค์ท่านไปเป็นหัวหน้าอยู่อาวาสอื่นๆมีหมายเฉพาะในวงชุดยุควัดป่าหนองถือเท่านั้นมิได้หมายว่าจะลบลูดูหมิ่นชุดก่อนเก่าไม่เลยนาะเมื่อกล่าวถึงยุคบ้านหนองถือ ที่ข้าพเจ้าไปมอบกายถวายชีวิตยอยู่ด้วยก็จำจะได้กล่าวปฏิปทาของพระอาจารย์ใหญ่มั่นและพระอาจารย์มหาบัวไปในตัวเพราะทองเรื่องสมัยนั้นสัมพันธ์กันเหมือนเดือนดาวในท้องฟ้าเพราะเป็นประวัติของตนที่เห็นด้วยตาพิจารณาด้วยใจได้ปฏิบัติตามองค์ท่านตามสติปัญญาของตนแต่จะเป็นเหมือนกาจับภูเขาทองหรือกบเฝ้าดอกบัวก็เป็นหน้าที่ของตนเองจะรู้ตัวเท่านั้น และต้องการเป็นสิทธิที่มีครูนอกครูในครูจิตครูใจครูป ร, ริยัตปฏิบัติปฏิเวทมรรคผลผนิพพานเพราะไม่ต้องการครูอัตโนมัติบัญญัติเอาเองคนเราถ้าขาดการฟังการตรึกตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบแล้วก็จะเป็นไปได้ยากจะเป็นเหล็กดีสักเพียงไรก็ตามก็ต้องได้รับเข็นรับผลรับชุบรับข่มจากหินก่อนจึงจะใช้ได้บ้าง นิจฉนั้นแล้วก็ไม่สมบูรณ์บางท่านบางคนตนไม่ทันได้ดีพอก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ยกยอท่าเดียวตลอดไปเรียกง่ายๆว่าบ้ายอก็หาได้ง่ายมีอยู่มากหลายแต่ขายไม่ออกครูบาอาจารย์ที่ดีตอนใดลูกศิษย์ทําดีก็ย่อมส่งเสริมตอนไหนทําชั่วก็ย่อมขีดกันการขีดกันถูกการละหรือไม่ถูกการละค่อยหรือแรงแล้วแต่กรณีไม่เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ จะไปตั้งกฎเกณฑ์ผูกมัดอาจารย์ไว้ไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปผูกมัดช่างตีไว้ว่าเมื่อมีผู้มาล้อมเตาอยู่มากอย่าเผาข้าน้อยให้แดงมากและอย่าตีข้าน้อยให้แรงมากเด้อมันจะเสียมรนระยะไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะมาตั้งกฎเกณฑ์ได้ช่างจะตีให้แข็เห็นความสามารถของช่างตีเหล็กอีกซําก็ได้เป็นบางหลายเขาหักรถเข้าทางก็หักเวลากําลังจะเลี้ยวออกทางถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ทันกับเวลา จิตใจภายในก็เหมือนกันขณะไหนพลิกไปทางตามวิตกตรึกไปในทางกามก็ดีพยาบาทวิตกตรึกไปทางพยาบาทยี่หิงสาวิตกตรึกไปทางเบียดเบียนต้องพลิกกลับสู่สภาพเดิมมิฉะนั้นจะเย็นเกินไปจนบูดฉันไม่ได้เสียทองปวดทองต่างๆอาจริยวัตดกล่าวต่อไปในวาระที่อยู่ในยุคหนองผือข้อวัดส่วนตัวขององค์ท่านที่ท่านทําอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้น และสอนลูกศิษย์ขนาดใดสอนญาติโยมขนาดใดจะได้กล่าวปากพลกันไปเพราะมิได้ชํานาญในการเขียนและการเลียงดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ น, นั้นข้อวัดประจําตัวองค์ท่านตอนกลางคืนตีสามลางหน้าบ้วนปากใส่กระถนปากกว้างแบบเงีย้ยเๆียมห่มผ้าเฉวียงบ่าไหว้พระสวดมนต์เงี้ยเๆี้ยมในห้องขององค์ท่านบางวันก็สวดนานประมาณ30นาทีได้ยินเสียงอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าสูตรใดแท้ เพราะเป็นขโมยแอบฟังทั้งกลัวด้วยคั้งสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาตะเกียงเล็กๆจุดไว้นอกมุงกุดภาวนาไปจนสว่างเป็นวันใหม่ได้อลุณลูกศิษย์ที่ไปรวมกันคอยรับเพื่อเอาข้อวัดเชาในยามจะออกจากห้องไปคอยอยู่แบบเงียบๆ ม, มีได้พูดกันซุบซิบสุบซิบเลยเพอองค์ท่านจระแอมเสียงเบาๆก็เปิดประตูค่อยๆเมื่อองค์ท่านเดินออกมาที่ระเบียงต่างก็เอาข้อวัดของใครของมัน ผู้เอาบาทก็เอาแต่บาทผู้เอาจีวรผู้นุ่งผ้าถวายผู้รับประคตเอวผู้รับผ้าช่นหน้าออกจากมือองค์ท่านผลัดผ้านุ่งแล้วยื่นถวายคืนผู้เอากระถนไปล้างผู้กวาดกุฏิผู้กวาดทางข้างล่างายค้ขาระเบียงจงกรมผู้คอยใส่รองเท้าส่นถวายใกล้ที่ลงบันไดผู้เอาไม้เท้าไปรอไว้ที่ศาลาฉันเพื่อจะรอถวายในเวลาเช้าบินสะบัด ผู้เอาไฟฐานอัางโลไปวางไว้ที่ทางจงกรมหัวท้ายแห่งละอันแล้วคอยสังเกตการอยู่ตามบริเวณแถบนั้นเพราะเมื่อองค์ท่านไปศาลาจะได้เอาตามไปถวายที่ศาลาฉานอันหนึ่งเตาหนึ่งจะได้รีบเก็บไว้องค์ท่านเดินจงกรมก่อนไปบินธบาตไม่ขาดได้เวลาก็เดินไปศาลาไฟจากกุฏิองท่านประมาณหนึ่งเส้นผู้รักษาไฟอัางโลก็ยกไฟตามหลังขึ้นไปไว้ที่ใกล้องท่านนั่งฉัน เพราะธาตไปอ่อนมีอาการหนาวและจะได้เอาผ้าอาบและผ้าคุมตักมาอังและถึงเพื่อให้ได้รับไออุ่นเพิ่มขึ้นให้เข้าใจว่าลูกศิษย์ที่ถือนิสัยมีอยู่กี่องค์ก็ต้องมีข้อวัดกับองค์ท่านทุกๆองค์ไม่สับสนก้าวไกลากันของใครของมันทั้งตรงต่อเวลาด้วยเต็มระเบียบเรียบร้อยเงียบสงดไม่เกี่ยวกล่าวเว้นไว้แต่องนั้นนั้นป่วยก็มอบให้องค์อื่นชั่วกล่าว เมื่อหายป่วยแล้วก็เข้าทําหน้าที่ตามเดิมส่วนงานส่วนรวมเช่นกวาดลานวัดตักน้ํารักษาโรงไฟโรงฉันต่างๆต้องเอาใจใส่พร้อมเปรียงกันทั้งนั้นไม่ต้องมีการตีะระฆังนัดหมายให้เป็นการบังคับลองเรียกมาเวลาของใครของมันแล้วแต่จะสังเกตไวใครอ่อนแอหลอดแหลกต้องถูกเข้นต่อหน้าสงและต่อหน้าญาติโยมเสมอๆ อ, องค์ท่านไม่ไว้หน้าใครเลยจะ ก, กล่าวข้างหน้าปากคนกันไปดอ